ขอน้อมน้อมต่อคุณพระัตนตรตรโการหลวงตากรมเพื่อนสัตยมิกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่27กันยายน2560นารอกเนอะก็เลยประมาณ1เดือนก็คือวันที่26ตุลาคม2560 ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยเนาะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงแด่บรรดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนในหลวงรัชกาลที่เก้าก็รักสังขารวันที่สิบสามตุลาคมสอง9ันห้า้ยห้าิบเก้าเนาะก็ผ่านมาประมาณ ถ้าถึงวันที่26ก็หนึ่งปีกับอีก13าวันเนา ะ, ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ใกล้วันวันพระราธนเพลิงแล้วก็จะ ม, มะีประชาชนทั่วประเทศแล้วนะมาจากทั่วประเทศเลยไปบริเวณพระราชวังเข้าไปในพระราชวังเพื่อที่จะถวายสักกาะระพระบรมสพเป็นครั้งอุ้ายเนาะก็วันหนึ่งก็น่าจะช่วงนี้เยอะมากหลายๆหมื่นคน เนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตพวกเราเนาะคือพวกเราส่วนใหญ่ก็คงก็ได้เกิดในราชการที่9นี่แหละเกลี้ยกวกาเราเกิดมาต่อชีวิตก็อยู่กับโทกมาตลอดนะแล้วเราก็ได้ได้รับทราบกรณีืกิจของในหลวงเรานะทำความดีมาตลอดทำเพื่อประชาชนเนาะ บางทีเรานี่ยจริงจรงแล้วยังสบายกว่าในหลวงเลยนะถ้าเราดูกรณีกิจจริงจริ ง, รงท่านก็ตั้งแต่ตื่นเช้านะก็ทำงานมาตลอดเพื่อประชาชนแล้วก็นอนดึกในการนอนดึกไม่ว่ามีความเพลิดเพลินไปเที่ยวหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงเหมือนก็คนทั่วไปนะแต่ท่านก็ทำงานตลอดนะทำงานตลอดจนถึงดึกเลยนะแม้แต่ในพระราชวังสวนจิรดาซึ่งความจริงในพระราชวัง คิดว่าทุกแห่งทั่วโลกนี่ยคนะ่คงยังไม่มีที่ไหนเหมือนพระราชวังสวนจิรดานะเพราเป็นที่เกษตรก็มีทําเป็นที่เหมือนกับการเกษตรทดลองปลูกข้าวหรือว่าพืชเกษตรต่างๆแล้วก็คิดในการที่ปรับปรุงงานเกษตรต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อนําำพันธุ์พันธุ์เกษตรหรือว่าเทคนิคใม่ๆไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะหรือ การเลี้ยงปลาต่างๆเช่นปลาหนินหรือปลาต่างๆก็มาจากโครงการของสวนจิรดานะหรือแม้แต่นมต่างๆที่เอามาแปลรูปเป็นนมเม็ดหรือว่าทำอภิภัณฑ์จากการเกษตรจากอาจากพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นอนมบัวหรือว่าอะไรต่างๆเอามาแปลรูปเอามาทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะ <c oughs> หรือมาแตอุตสาหกรรม <c oughs> ต่างๆที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ก็มีการสนับสนุนเนาะแล้วก็โครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆท่านก็ทำนะฮะหรือมาได้ฝนเทียมถ้าก็มีความคิดในตรงนี้เหมือนกับอาจจะเป็นคนแรกในโลกก็ได้โครงการฝนหลวงทาเขื่อนทำอะไรต่างๆเนาะอันนี้ เรียกว่าโครงการเหล่านี้ถ้าเป็นเป็นคนทั่วไปเขาคงจะทําทำลําบากเนาะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยการรวมใจของคนจํานวนมากมาช่วยกันรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นก็มีพระองค์คนเดียวที่จะทําในตรงนี้ได้สําเร็จได้ง่ายนะถ้าเป็นแม้แต่รัฐบาลก็ทําลําบากนะโครงการอะไรอย่างเนี้คิดขึ้นมาแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่ทำํำง่ายๆจะมีฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยก็ คงจะเดินทางในการทํางานลําบากนะแต่เมื่อพระองค์ดําเนินมีความคิดมาแล้วก็สามารถทําได้อย่างราบรื่นทุกโครงการนะทำได้สําเร็จหมดเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าโชคดีนะของประชาชนชาวไทยนะที่ว่าได้พระองค์มามาช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงตลอดอายุในการคลองลานมายาวนานที่สุดน ะ, ะที่ส่วนของ ของประเทศไทยนะือจะของโลกด้วยเนาะนะด้วยความเสียสละจริงๆนะเพราะตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะที่คนไทยก็นึกถึงพระองค์นะเราก็ร้องน้อมใจกันนะที่จะแสดงความจงรักภักดีนะต่อเนื่องกันมาตลอดนะครั้งนี้นอกจากพระองค์จะมีการทำในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับ วงชนชาวไทยแล้วนะก็ในส่วนส่วนองค์เองก็มีการปฏิบัติธรรมนะนะที่เคยรับฟังมาจากกระแสะข่าต่างๆรวมทั้งครูบาอาจารย์ก็คือในหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่นะไปปฏิบัติธรรได้ดีมากนะเคยมีครูบาอาจารย์องค์สําคัญท่านบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วท่านไปบัตได้ดีดีดีมากเลยนะอาจจะดีกว่าไม่ได้เป็นพระไปบัตด้วยกันท่านก็ยังดีกว่าเลยนะมี มีความสามารถในคือมีมีมีการปฏิบัติธรรมที่ได้สภามปฏิธรรมที่สูงเนาะท่านก็อาศัยช่วงช่วงที่ในการเวลาว่างเป็นระยะระยะนะท่านก็คงไม่มีเวลามากเหมือนกับพวกเราในการปฏิบัติธรรมแต่เรื่อว่าท่านก็ช่วยจังหวะในการที่ว่าตรงไหนท่านทําได้ก็ทําในชีพประจําวันนี่แหละเนาะ อาจจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติก็ได้เพราะท่านคงไม่มีเวลามานั่งสมาธินานๆใช่ไเพราะนั้นท่านก็อาศัยในช่วงแต่ละวันนะในการเจริญสตินี่แหละนะท่านก็ทาตรงนี้นะทำให้ท่านมีความก้าวหน้าในธรรมใช่ไหมสังเกตดูนะท่านไม่ได้มีเวลามากเหมือนพวกเรานะัำไมกูบาจารย์ถึงชมท่านว่านะท่านสามารถไปฏิธรรมได้ผลดีนะ เพราะท่านก็คงจะใช้วิธีนี่แหละคือช่วยโอกาสในชีพจำบันนี่แหละปฏิบัติทมไปโดยการเจริญสตินั่นเองนะไม่ได้ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะแล้วแม้แต่ท่านาไปก่อนท่านจะไปพักอยู่ที่นะผู้พาลราเชนิเวศ ท, นะที่สกลนคร น, นะถ้ามีโอกาสไหนที่ว่างนแะม้แต่ตอนกลางคืนท่านก็จะเสด็จไปกราบครูบาอาจารย์แถวๆนั้นนะ ตอนนั้นก็มีสายวัดปา่าในสายหลวงปู่มัน่ในในยุคนั้นก็มีครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นนี่อยู่หลายองค์มากหลวงปู่เทสหลวงปูข่ขาวหลวงปู่จวนหลวงปู่ดูลหลวงปูส่สิงทองนะหลวงตามหาบัวหนะลวงปู่แหวนนะเยอะเลยในยุคนั้นนะตอนนั้นเป็นความโชคดีนะของชาวพุทธมากประมาณสักสี่ห้าสิปีก่อนนะจะมีครูบาอาจารย์ในสายสาร ที่เป็นเป็นหลักในการปฏริบัติธรรมจริงๆเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วในหลวงก็อยู่ในยุคนั้นพอดีนะท่านก็มีโอกาสไปการาบครูบาอาจารย์อยู่ประจำนะแล้วบางทีนั้นก็ไปไปเองนะไปโดยที่แบบบไม่ได้บอกใครก็มีที่ไปเองเ ง, เงียบๆไปส่วนตัวนะครับรถไปเองด้วยกลางคืนก็ไปคือในยุคนั้นไม่ค่อยมีปรคกอบคอเหมือนเหมือนยุคหลังนะก็สามาเดินทางไปไหนมาไหนตอนกลางคืนได้นะท่านก็ ไปตามวัดต่างๆในยุคนั้นนะเราก็มีมีช่วงหนึ่งรู้แต่เกี่ยวน่าจะเป็นวัดวัดหลวงปู่ขาวนี่แหละวัดธรรกองเพนนี่แหละตอนนั้นเหมือนกับ้านได้ข่าวว่ า, านายหลวงเนี่ยจะมากราบหลวงปู่ขาวเนาะมากราบหลวงปู่ขาวตอนนั้นนายหลวงปู่ชอบก็อยู่ด้วยนะแล้วก็ ครูบาอาจารย์ทั้งสองก็รอในหลวงจะมาเมื่อไหร่จะมาทุกทีน้องว่าจะมาวันนี้ก็ไม่เห็นมาจนกระทั่งตอนเย็นก็มันก็มีคนมาถามว่าได้ไ ด, ได้ได้กราบเอ้ในหลวงได้ได้มาแล้วใช่ไหมหลวงปู่ว่าไม่เห็นมีในหลวงมาเลยมีแต่ฐานสองพ่อลูกมาคนบอกนั่นแหละฐานสองพ่อลูกนั่นแหละคือในหลวงกับเจ้าฟ้าชาย อลุงปูอะไรรู้นะว่านเนี่ยเป็นนายหลวงมาแล้วนะแสดงว่าท่านไม่ได้แสดงตัวอะไรเลยว่าท่านมีอะไรเป็นพิเศษนะคือก็แต่งชุดมันก็ชุดทาหารนั่นแหละเวลาออกไปแถวนั้นนะออไปเยี่ยมเยนราสดอนก็แต่งชุดทหารนะท่านก็ไม่ได้แสดงตัวเป็ น, ปนพิเศษอะไรเลยอันนี้ก็คือความที่เรียกว่าท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไปฏิปธรรมจริงๆไม่ได้ไปแสดงถึงว่าเป็นกษัตริย์เนาะ ว่าท่านไปหาคุณบาอาจารย์นหละก็จะเห็นท่านกราบอย่างพลงามนะกราบกับพื้นเลยนะก้มกราบไม่ได้พื้นดินให้เขาก้กมกราบนะเวลาท่านไปบางทีมีรูปต่างๆหรือแม้แต่ไปเยี่ยมชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านแต่งตัวก็คือแต่งตัวไปชาวบ้านนะไม่ได้เป็นแต่งตัวสวยอะไรชาวบ้านก็นั่งอยู่กับพื้นท่านก็ยังคุกเข่ามือกับพื้นเลยะ อะไรคุกเข่าลงไปก็ไปจับชาวบ้านด้วยน้อมตัวลงไปหาชาวบ้าน ท, าทั้งท่าก็ไม่มีชาวบ้านยืนอยู่ทางนั้นท่านก็ยังน้อมตัวลงไปเลยนะอันนี้แสดงว่ากายบัตรธ ร, รมของท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าถึงธรรมจริงๆนะเพราไม่ได้ไปยึดถืออะไรเลยว่าเราเป็นกษัตริย์เราต้องอยู่สูงต้องไว้ตัวต้องไม่ไปตกลงไปต่ำอะไรหาชาวบ้านอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่มีบางรูปก็น่าประทับใจ คือเป็นมันก็เป็นรถส่วนตัวอะไรท่านก็อย่างนื้อรถแบบตะลุยป่ า, าแล้วท่านน่าจะไปคนเดียวด้วยท่านก็นั่งกับพื้นเลยนั่งกับพื้นดินเอาหลังพิงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็กางแผ่นที่มาดูควารู้สึกท่านจะมีอยู่อยู่องเดียวแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านอยู่ทางในอีกคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่ห่างๆนะแล้วก็มีรถอยู่คันเดียวด้วยนะอันนี้แสดงถึงความติดดินนะความติดดินของในหลวงที่หาได้ยากมากนะที่กษัตริย์ จะทำตัวแบบนี้ใชเพราะนั้นในต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศที่มีกษัตริย์ก็ยกย่องว่าเป็น King of the King นะก็คือกษัตริย์ของกษัตริย์นะก็สมสมเกียรติของท่านนะที่ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เห็นมาอยู่ในโก้เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มอบรางวัลนะของให้กับท่านนะในว่าท่าน ช่วยเหลือประชาชนมาตลอดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจจริงๆแล้วรางวัลต่างๆมีเยอะมากมีเยอะมากมายมหาศาลแต่ว่าเพิ่งจะในเร็วๆเนี้ก็เห็นว่ามีของยูเนสโก้ก็มอบรางวัลให้กับท่านอีกเนาะออันนี้ก็เป็นสิ่งเรียกว่าเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราคงจะได้พบกับอ่าเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตเรานะคงจะน้อยมากนะก็ที่ผ่านมาที่ น่าจะจำความได้ก็น่าจะในยุคเรานะในระยะร้อยปีแล้วกันนะน่าจะงานนี้ก็น่าจะใหญ่สุดของพระราทานเพลิงเนาะเพราะว่าน่าจะยุคก่อนนันก็น่าจะรัชกาลที่ห้ก็น่าจะผ่านมารอยรกว่าปีแล้วรอยปีเศเศษนะเพราะนั้นในรอบร้อยปีนี้ก็น่าจะยิ่งใหญ่สุดในในยุคนี้นะเราก็มีโอกาสอยู่ในยุคนี้แล้วนะเรก็น่าจะภูมิใจเนาะ ถ้าเรามีโอกาสทำความดีถวายท่านนะก็ทำได้ในช่วงนี้เนาะเช่นอาจจะเราอาจจะทำไปพระราชวังลำบากนะก็เพราะว่าเห็นเขเปิดถึงวันที่30กันยายนะเราก็ไม่มีโอกาสไปก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไปบวชทำร ะ, ะลึกถึงท่านถวายน้อมกุศลให้ถึงท่านนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกุศลกับท่านด้วย แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ข่าวมาคือครูบาอาจารย์ลายองค์บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์เนาะเป็นนับน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอเพราะว่าดูจากคือคือครูบาอาจารย์ท่านก็คงจะรู้ภายในอ่นะคงจะรู้ภายในอยู่เพราะว่าฟังลายครูบาอาจารย์เหมือนกันว่านท่านก็นะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็จากการที่ดูอ่า การที่ท่านได้ประกอบกรณีกิจต่างๆก็น่าสมนะเป็นจุดหนึ่งที่เราว่าทําห้เป็นกระสับแล้วทําเช่นนี้นะ อ, ะอันนี้ก็ถ้าเป็นเหตุการณ์เช่นนี้จริงก็แสดงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เราก็ได้ได้อยู่ในยุค ข, ของพระโพธิสัตว์จริงๆอยู่ในยุค ข, ของพระโพธิสัตว์ที่ว่ามาบำเพ็ญบารมีนะบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นผู้ใดบางคนบอกว่าขอเป็นฆ่ารองพระบาททุกชาติไปอันนี้ไม่น่น ะ, ะบางทีถ้ า, ถาตั้งใจเช่นนั้นจริงๆใช่ไหม อาจจะเป็นการเป่งวาจารหรือว่าด้วยการอธิษฐานกิตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพิมพ์แต่ที่เสื้อขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปแต่ว่าตั้งใจงจริงๆเช่นนั้นแล้วก็ จ, จะในอนาคตกนะถ้าหากว่ า, าในหลวงท่านอาจจะได้เป็นผู้เจ้าในอนาคตนะเพราะการเป็นพระโพลิตสัตนวะ์เนี่ยก็เป็ น, เ ป, นเป็นการบําเพ็ญบารมีเพื่อเป็นผู้เจ้าในอนาคตนะการพอผู้ที่ตั้งใจว่าจะเป็นข้ารองาบาททุกชาติไปการ จ, จะไปเกิดในยุคนั้นก็ได้นะ ในยุคนั้นร่วมร่วมกับพระองค์ก็ได้นะหรือจริงๆแล้วก็ จ, จะติดตามท่านมาก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่นอนเพราะว่าทําไมนะถึงว่าเ ป, เ, ปเป็นเป็นชนนี้มนะแล้วก็ไปเขียนในเสื้อแยะๆเลยขอเป็นค่ารองพระบาทลูกชาติไปนะก็อาจจะติดตามมาต่างๆชาติไหนแล้วก็ได้นำะเพื่อมาบําเพ็ญบารมีร่วมกันนะครั้ น, ะ น, นี้อยู่ที่ว่าเราเราได้น้อมใจในตรงนี้เพียงพอไหม จริงจริ ง, รงแล้วก็มึงไทยก็โชคดีใช่ไหมว่ามีในหลวง เ, เป็นผู้ที่ทํางานในประเทศไทยแต่ทำไมก็ยังน่าสงสัยเอ๊ะทำไมปบงชนชาวไทยถึงไม่เข้าถึงทําจริงจรงก็มีตั้งเยอะใช่ไหมบางทีข่าวรายการก็คอร์รัปชันกันอะไรกันเยอะแยะหรือว่าคนไทยก็ยังแตกสามคัคคีนะแล้วก็มีการทะเลาะเป่าแหวงแล้วก็มีการนะทําผิดมากมายใช่ไหมเรื่องยาเสพติดต่างๆหรือเรื่องคดโกง เอาเปรียบกันนะคดีฆาตกรรมนะหรือว่าคดีอาญาคดีประทุสรายต่างๆมากมายมันมันก็น่าแปลกใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะแสดงว่าเราพวกเรานี่ใกล้คือกินด่างะ ใ, ใกล้คือกินด่างอย่างจริงนะถ้าหากว่าเป็นประเทศอื่นนะเช่นอาจจะบางประเทศนะอย่างญี่ปุ่นนี่แหละโอ้ญี่ปุ่นนี่เขาดีมากนะคเมื่อกเกิด เหตุการณ์จริงๆนะอย่างซึนามิอะไรเนี่ยแหะเขาก็เกิดเหตุการณ์มาเมื่อไปประมาณปี54นะประมาณแถวนั้นก็แล้วกันนะเขาก็ยังเข้าแถวกันยังเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเวลาคือบ้านแตกสลักขาดนันก็น้ําพัดมาก็ก็เหมือนกับเมืองไทยน่ะอาจจะคล้ายๆที่ภูเก็ตหรือพังงาก็ลาบไปเป็นนากอเหมือนกันถึงนะแต่เขาเขาก็เวลามีเหตุการณ์เช่นนั้นนะ มีคนมาส่งส่งสะเบียงหรือส่งของ ข, ของข้าวของเคงใช้ที่จําเป็นเขาก็เข้าแถวไประเบียบเรียบร้อยแถวเรื่มหนึ่งเลยนะอันเนี้ยแสดงว่าจิตใจเขาได้พัฒนาแล้วนะแต่ของคนไทยนี่ประมาณปีห้าสี่ก็ขณะน้ําท่วมธรรมดา น, ะน้ำน้าท่วมเมคือนีมีน้ําท่วมไปทั่วกรุงเทพอะไรก็น้ําท่วมเวลาใครไปแจกของนี่จะแย่งกัน <c oughs> แย่งแย่งกันเหมือนกันแร้งลงใช่ไหม แย่กันแบบอะไรกันสักอย่างหนึ่งแปลกมากไม่ไม่มีกันไม่ค่อยเข้าแถวหายางมากที่จะเข้าแถวหรือว่าบางทีเขากั้นน้ําไว้กั้นกระสอบทรายไว้ว่าตรงนี้เป็นเขตอันนี้เป็นเขตแห้งก็แล้วกันนะเขตแห้งอันนี้เป็นเขตน้ําท่วมปรกากฏว่าไม่ยอมไม่ยอมทาไมมากัน้นตรงนี้เป็นเขตน้ําท่วมบ้านฉันก็จมน้ําตลอดตรงนั้นเป็นเขตจริงๆมีเขตแห้งอะถูกแล้วเพราะว่ามันจะได้มีการช่วยเหลือกันได้เขต บางทีตรงที่น้ําท่วมนี่ยจะไปอยู่ตรงฝั่งเขตแห้งได้จะมีมีที่ผ่อนผันบางอย่างอันนี้ก็เป็นความถูกต้องนะแต่ว่าไม่ยอมให้เราเสียเปรียบนะเสียเปรียบแล้วก็ทำให้ปล่อยน้ําท่วมตรงนี้ตอนนั้นไม่ไม่ท่วมก็เลยไปดึงกับสอบทรายออกมาให้น้ําท่วมกันทั่วไปหมดเลยนะก็เลยลําบากก็ยังท่วมถึงนะไอ้ที่เขาจะไปช่วยก็เลยเข้าออกลําบากนะอันนี้มันก็เอแสดงว่าเราก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจนะอย่างแท้จริงนะแล้วก็ทะเลาะอะไรเงินกันมายาวนานมัน มันเป็นสิ่งที่เราว่าทําให้บ้านเมืองมันไม่จเจริญนะอันเนี้ยถ้าถ้าใครเข้าใจองไี้ว่าถ้าเราทําให้ในหลวงจริงๆริใช่ไหมหรือว่าเรื่อถ้าเป็นพ่อพ่อหลวงจริงๆก็จะทําอะไรเพื่อพ่อทำไมเรื่องแค่นี้เราพัฒนาจิตใจไม่ได้แล้วจะไปพัฒนาอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปเรื่องแปลกเนาะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งน่าเสียดายนะว่าคนไทยนี่ยก็คือบางทีก็อาจจะคิดคิดแต่ปากหรือคิดแต่ใจแต่การกระทํานี่มันตรงกันข้ามเนาะ ตรงข้ามกับความเปนจริงที่ว่าเราจะพัฒนาประเทศชาติหรือว่าพัฒน า, าจิตใจเราหรือว่าทำขึ้นในหลวงจริงๆเนาะคราวนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราก็มาพัฒนาจิตใจเราเนี่ยดีที่สุดนะเพราะว่าเราในเมื่อเรารู้แล้วว่ า, าในหลวงสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้หรือพัฒนาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นได้แม้แต่ต้องทํางานหนักนะมาตลอดก็ตามแต่ว่า การมาทำของท่านสามารถที่จะเข้าสู่ในระดับสูงได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมเ ร, เราก็จริงๆก็มีโอกาสมีเวลามากกว่าท่านเดกใช่ไหมเราก็อาศัยในช่วงนี้นะในการที่พัฒนาจิตวิญญาณไปเรื่อยๆก็คือเรามาเจริญสติกันเนะจริญสติให้เกิดความรู้ตัวบ่อยๆนะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายแห ล, แล่เราเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะเมื่อกี้พระอาจารย์น้อยก็ได้นําสวดนําบท ปฐมพุทธภาสิตคาถาโยโญก็คือให้กลับมาเห็นนะถึงคือพระเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่นะท่านก็อุทานนะอุทานเป็นพระภาสิตนี้มาว่านะการทีนะ่พระองค์ทรงเวียนว่ายใจเกิดนะับผลบุญชาติไม่ท้วนนะก็เพราะว่ามีมนายช่างพวกบุกเรือนอยู่นะมันก็มีเรือนสร้างบ่อยๆนะสร้างทุกชาติเลยนะไอเรือนเนี่ยมันคืออะไรนะผู้สร้างเรือนนี่แหละ มันต้องหาผู้สร้างเรือนให้เจอใช่ไหมไอเรือนเนี่ยคือที่เราต้องมาเกิดไอผู้สร้างเรือนเนี่ยก็คือที่เราต้องมาเกิดเนี่ยคือใครใช่ไหมก็คือตัณหานั่นเองใช่ไหมเมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วตัณเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าคือตัณหานั้นนั่นเองนะการเกิดทุกข์คาเป็นทุกข์ร่าไปนะเนี่ยอันนี้ก็เลยทรงย้อนเห็นว่าเออการเกิดทุกข์คามันเป็นทุกข์ร่ำไปจริงๆนะก็เพราะว่าเรามีตัณหานั่นเองนะเนีประการแรกเราก็เห็นความทุกข์ก่อนใช่ไหมว่าการเกิดทุกข์คาวเน ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้มันก็ไม่ไดิ้หรนที่จะหายสาเหตุใช่ไมว่าในช่างสร้างเรื่งคือใครใช่ไหแต่เรารู้แล้วเออไอ้ไที่เรามาทุกวันนี้มันมีความทุกข์นะมีความทุกขนะ์กจริงๆเลยอย่างที่เราสรวจตอนเช้ามันก็มีความทุกข์ตลอดนะที่เราเราเข้าใจมาแล้วว่าม่เป็นทุกข์มากมายใช่ถ้าเราเข้าใจมีความทุกข์เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ความเกิดทุกข์าเป็นทุกข์ร่าไปมันมันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ การเกิดทุกขค่าเป็นทุกข์ร่ำไปใช่ไหมถ้าเราเห็นไอ้การเกิดทุกขค่าเป็นทุกข์ร่ำไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะว่าการเกิดมัเป็นทุกข์ร่าไปแล้วเราก็คือเมื่อมันไม่ทุกข์ก็คือเราต้องไม่เกิดใหม่นั่นเองก็คือมันร อ, อกจากการไม่นว่ายใจเกิดออกจากสารสารวัตนี่แหละใช่ไหมครั้นี้ก็เราพระพุทธองค์ก็ได้ทรงบอกแล้วว่าในช้างผููตั้งเลยก็คือไอ้คนที่นำํำเรามาเกิดนี่ก็คือตัณหาใช่ไหมตัณหาในจริงๆมันก็มีอยู่ใน ธรรมจากนะอยู่ในอริสสีนี่แหละในข้อที่เรียกว่าสมุทไทยข้อสมุทไทยบอกว่ายายังตันหาโปโนปิิการนันทิราคะสาตาตตะตะตายพินันทีนีนะก็คือสมุทไทยคือสาเหตุของความทุกข์นั่นแหละก็คือตันหานั้นนะตันหานี่แหละเป็นเหตุให้นําให้เกิดสู่ให้นําให้มาเกิดใหม่เป็นความเพลิดเพลินนั้นนันทิลาคัสคือความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งต่อไปนี้คือสยธิทางกามตันหา ภาวตัณหาวิภาวตัณหาก็คือได้แก่การมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวตัณหานั่นเองเนาะการมตัณหาก็คือ <c oughs> เราก็เพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดนะอันนี้แหละคือความเพลิดเพลินที่เราส่งจิตออกนอกนะตาก็ส่งไปดูรูปนะก็เพลิดเพลินไปในรูปนะมีความพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้น เมื่อเพิดเพลินก็เลยเป็นการติดการติดการยึดการทยานอยากอันนี้ก็คือตัณหาเนี่ยเองนะเราเห็นรูปแล้วเนี่ยก็คือเกิดการทยานอยากขึ้นมานะเห็นรูปก็เรียวตาสัมผัสตาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอริยนะสัมผัสนี่เรียกผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนานะเวทนาคือความชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยๆแล้วเกิดตัณหาคือความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดบุธานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเกิดว่าทันก็เกิดพบเกิดชาติเกิดชรลามรณะเกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเนาะอันนี้คือกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเนาะเมือตรงตรงเนี้ย <c oughs> เมื่อเราเรารู้เท่าทันว่าเ อ, อขณะนีเ้เรามีอะไรเกิดขึ้นในในใจไหมอา่าไม่ว่าชะทางตาหูจมิ่นกายใจมันก็ต้องรู้ให้ทันใช่ไหมรู้ให้ทันให้ไวออแล้วเราก็ลองรู้ทันว่าเออเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายนะมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรา มันเป็นแค่อาการของใจเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเป็นอาการหองใจก็คือมันไม่ใช่เรามันเพราะว่าการหองใจมันเป็นภาวะธรรมที่มันเป็นการปรุงแต่งเป็นความเกิดความดับเป็นการไม่เที่ยงเป็นความไม่แน่ไม่นอนอันนี้ก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองนะคืออาการของใจทุกทุกอย่างนะความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภความหลงพวกนี้คือการหองใจหมดเลยนะมันไม่ตัวไม่ตนจริงๆมันเป็นแค่การมาการไปการเกิดการดับ เป็นของไม่เที่ยงนะตรงนี้ถ้าเราไม่ไปให้ค่ามันมันจะทําอะไรแล้วไม่ได้เลยทำอะไรแล้วไม่ได้หรอมันจะเกิดก็ได้นะความโกรธก็เกิดได้แต่เมื่อเราไม่ให้ค่ามันจะทำอะไรไม่ได้ก็คือไม่ไปสนใจไม่เอาใจใส่ไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นนะเขาก็ไปของเขาเองนะ่เพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะแต่เมื่อใดที่ม่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นว่าเอออันนี้นะออืเราโกรธเรารักเราชังเราเกลียดมันก็เป็นของเราใช่ไหมคือความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมัน มันเข้าไปยึดไว้วันนี้ของเรานะว่าเราโกรธเรารักเราชังมันมีตัวตนเข้าไปเข้าไปเข้าไปมีส่วนในตรงนั้นนะคือเข้าไปมีส่วนในเสียนตรงนั้นเนะี่ยถ้าเรามาองไม่เห็นตรงนี้นะมันจะเกิดขึ้นตลอดเลยเรารักเราชังเราเกลียดเราโกรธนะ Ever. แต่เราเข้าใจในพระไตรลักษณ์อยู่แล้วนะคือมันต้องมีโยนิโสมนาสิกาในตรงนี้อยู่แล้วเราจะเห็นว่าเออการเกิดแต่ครั้งของมันไม่เกี่ยวกับเรานะความโลภความโกรธ ค, ค, ความหลงคือการลงใจไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย เพราะเราไม่ใช่ตัวเมยตนที่จะไปยึดในตรงนั้นอยู่แล้วนะมันเป็นของที่มันส่วนคนละส่วนกันนะคนละส่วนกับของเรานะมันไม่ยุ่งกันนะจิตนี่เป็นแค่ผู้รู้นะเป็นแค่รู้เท่านั้นเองส่วนในอย่างอื่นนี่เป็นแค่การลงใจเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันจึงไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรามันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่มันเกิดมันดับมันมป็นความปรุงแต่งนะนี่ถ้าเราเห็นงี้มันก็คือเราก็มันไม่ยังเราอยู่แล้วนะ แม้แต่ใจก็ไม่ยังเราอยู่แล้วใจนี่ไม่ยังเราเพียงแต่มันอาศัยความรู้หรือผู้รู้เนี่ยมาเป็นเครื่องรู้เท่านั้นเองเพราะใจที่เป็นผู้รู้ก็ไม่ยังเราอยู่แล้วแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราหมดเลยใจก็เป็นของเราเพราะเมื่อใจเป็นของเราอาการของใจจึงเป็นของเราด้วยน ะ, ะความรักความช่างความโกรธก็เป็นของเราด้วยนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือตันหาผู้สร้างภพนะพราะเราไปจิตมันไปยึดเป็นว่ทานไปยึดจากตันหานี่แหละที่มันรู้ไม่ทันนะ วันเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็คลายความยึดมั่นถือมันมันไม่ใช่เราปุ๊บมันวางหมดเลยนะคือมันมีได้นะความโกรธก็มีได้แต่มันไม่ใช่เราก็เรื่องมันเองไม่เรานะความโกรธความรักความาจมันก็มีได้ไม่ใช่มันไม่มีหรอกมีได้แต่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราเราแค่รู้แค่ดูมันเท่านั้นเองนะเราไม่หน้าที่รู้เรานอกนั้นนะเป็นเรื่องของมันเองทั้งหมดไม่ใช่เรานะไม่ต้องไปจัดการเขาต้องหมดไปต้องอยู่กับเราต้องอะไรต้งสิ้นเพราะมันแสดงมาไต่หลักให้ปรากฏอยู่แล้วถึงเราไม่ไปจัดการมัน มันก็เป็นสภาวะของใจรักที่มันต้องมาแล้วก็ไปต้องเกิดแล้วก็ดับนะนี่เราบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วนะเนี่ยถ้าเข้าใจในภาวะทำเนี่ยมันจะออกมาจากสภาวะที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนของเราได้แล้วเราค่อยสักแต่ว่าเห็นในเฉยเป็นผู้รู้เฉยเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นน ะ, ะรู้สึซื่อนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะมันก็เป็นภาวะรมที่เราสามารถที่จะเห็นได้ไม่ยากเนาะเพราะฉะนั้นใน ท, าท้ายสุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณบราาุรณะไต <c oughs> น้อมนำมือท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน